ชีวิตพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่แนในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อ ย, ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวพระราชดําริ ต, ต่างๆในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่พระศนิกรชาวไทยและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้วยนาพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกลุ่มราษดรจิตอาสาด้วยพระราชดำริเราทาความดีด้วยหัวใจโครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบันเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆกรมทรัพยากรน้ำจึงได้น้อมนาแนวพระราชดาริจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ทั้งส่วนกลางและสำนัก ง, งานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ถึงอาทิกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคลองบางเขนกรุงเทพมหานครและพัฒนาฟื้นฟูคลองสามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานในเรื่องจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความอยู่ดีกินดีและการมีสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนชาวไทย น้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำประโ s o งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร1 3 1 0าห่กด5หรือ w w w d w r g o t h